ทีว่วัติพระอาจารย์สเสถียรสมาจาโรวัดวาจุกุตำบไลไร่โวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีท่านพระอาจารย์สเสถียรสมาจาโรมีนามเดิมว่าสเสถียรทองโคตบิดาชื่อว่าพร ม, มามารดาชื่อก้านท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่28มีนาคม พุทธศักราช 2,500 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น8ดค่ำเดือนสี่ปีรากาณตำบลโนนสังอําเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีท่านมีพี่น้องรวมสี่คนคือ 1. ท่านอาจารย์สถทยนทองโคตรนายวิเชียนทองโคตรนางหนูเพียน ทองโคด 4. นายบัวเรียนทองโคดโยมบิดามารดาของท่านมีอาชีพทํานาท่านเรียนจบชั้นประถมปีที่สจากนั้นครอบครัวของท่านได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายต่อมาเมื่อมีอายุครบบวชท่านได้บรญชาผู้สมบทที่วัดป่าสัรามิว่าําบลสาลา อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2520มีหลวงปุณนหลวงกระตะปุญโญเป็นพระอุปชาพระคำูลชิตามารโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปัจจุบันอยู่ที่วัดรัตนวนารามจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพะเยาได้ฉายาสมาจารโรสังกับธรรมยุติกายพันษาที่หนึ่งถึงสจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ขานฐานะวโรวัดป่าบ้านเหล่าอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายพันษาที่ห้าจำพรรษาที่บ้านอี ก, กอ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพรนศาที่หถึงเจท่านได้กลับไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ขานพรนศาที่8ถึง9ท่านในทุดงอยู่ทางอีสานพอดีช่วงนั้นมีงานพระราชทานเพลิงสดหลวงปูผ่ผางจิตตะคุตโตท่านพระอาจารย์สเสถียนก็ได้ไปช่วยงานท่านด้วยและได้พบกับท่านอาจารย์สาคร รรมาวุธโธเป็นครั้งแรกในงานนี้เมื่อเสร็จงานรัชทานเพลิงศพนงปกผางแล้วท่านจานึงไดุ้ดง n เรื่อยมาจนถึงอำเภอทองผาภูมิและได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเวรุวันวนารามตำบลท่าข น, นุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจน บ, บรุรีในช่วงออกพรรษา ท่านได้ไปวิเวกตามปา่าตามเขาในเขตตาทุ่งใหญ่ในเรสวนอาศัยบินธาบาจากชาวกะเหรี่ยงจนท่านสามารถพูดภาษากะเหรี่ยงได้อย่างชำนิชำนาญพรรษาที่10ถึง16จำพรรษาที่วัดวาจุกูตำบลไลโวอำเภอสังคลบุรีวัดนี้เป็นวัดอยู่กลางปา่า ชาวบ้านเป็นชาวกระเรียงในช่วงที่ท่านมาจำพรรษาใหม่ๆชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือฤาษีวดผมยาวเกล้าเป็นมวยแล้วใช้ผ้าผูกทับไว้ท่านอาจารย์ก็ได้แนะนำสั่งสอนให้ชาวบ้านหยิดมั่นในพระศาสนไตรนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นทิพพึ่งที่ศัการะสิทิจนชาวบ้านส่วนใหญ่ ขันมาปฏิบัติตามบ้างก็ส่งลูกหลานมาบวชในบรวรพุทธศาสนาหลายคนหรือเมื่อมีเรื่องทุกข์เรื่องร้อนประการใดเื่อเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นอยู่การทำมาหากินก็จะมาให้ท่านอาจารย์ช่วยส่งเคราะห์ให้ซึ่งท่านอาจารย์ก็เมตตาช่วยสงเคราะห์ด้วยดีทุกรายไปประดุดดังพี่น้อง สายโลหิตที่ต้องดูแลและเอื้ออาทรให้พ้นทุกข์คนยากดังนั้นชาวกรียงทั้งหมู่บ้านใกล้ไกลจึงให้ความเคารพยำเกรงและศรัทธาทานมากเวลาท่านอาจารย์ไปทางหมู่บ้านไหนท่านมักจะชักชวนชาวบ้านพัฒนาแหล่งน้ำโดยให้ชาวบ้านช่วยกันขุดบ่อดังนั้นชาวบ้าน จึงตั้งสมญาให้ท่านเป็นภาษากะเหรี่ยงว่าตองข่าที่กะเล่ซึ่งหมายถึงพระบ่อน้ำการเดินทางจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งก็ต้องใช้วิธีเดินเท้าใช้เวลาเป็นวันวันคืนคืนจึงจะถึงจุดหมายเรื่องรถนั้นแทบไม่ต้องพูดถึง ยิ่งฤ ด, ดูฝนด้วยแล้วพาหนะที่ดีที่สุดในแท็กท่านอาจารย์จำพรรษาอยู่ก็คือช้างในฤ ด, ดูแรงก็พอที่จะได้พบเห็นรถอยู่บ้านแต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติและพัฒนาชาวกะเรี่ยงสําหรับพระอย่างท่านอาจารย์ท่านยังคงปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้ใกล้วาระสุดท้าย ที่ท่านอาภาคอย่างหนักด้วยโรคมะเร็งเวทนาจะกล้าสักเพียงใดก็ตามท่านก็ยังคงปฏิบัติและพัฒนาอย่างปกติโดยไม่ได้หวั่นไหวต่อาธาตุขันที่ใกล้จะแตกดับเลยท่านวางาธาตุขันโดยอาการสงบสุขที่วัดวาจุ ก, กุเมื่อวันที่พเมษายนพุทธศักราช สองพั 36, นเวลา24สินาฬิกาสริรวมอายุ36ปีภรรษา16ปฏิปทาและข้อวัดปฏิบัติท่านพระอาจารย์เขียนสมาจารโธท่านเป็นผู้ที่มีปฏิปทาเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญมาก เป็นพระที่หาได้ยากองหนึ่งในสมัยปัจจุบันครั้งหนึ่งท่านสนทนาธรรมกับศาสตรธรรมมิตรของท่านเกี่ยวกับเรื่องทำความเพียรท่านุกตัวอย่างการทำความเพียรเมื่อสมัยบวดใหม่ๆจิตใจฟุ้งซ่านรำคาญมากท่านจึงตัดสินใจให้หมูกเพื่อนมัดแขนมัดขาไว้กลางป่า ในท่านั่งสมาธิถึงสามวันสามคืนทันละว่าเวทนาเกิดขึ้นมากท่านจึงกำหนดความตายเป็นอารมณ์จิตจึงวางเวทนาแม้แต่สังขารก็วางเหลือแต่ความรู้ที่สว่างอยู่เฉยเฉยไม่รู้นานเท่าไหร่จิตจึงถอนออกเมื่อครบสามวันแล้วหมู่เพื่อน จึงม่แก้มัดออกแล้วจิงค่อยๆช่วยกันนวดตามแขนตามขาเมื่อยกมือที่วางซ้อนกันออกปรากฏว่าตรงฝ่ามือและขาที่ซ้อนกันนั้นมีลักษณะเหมือนไฟไหม้ตั้งแต่นั้นมาการทำความเพียรของท่านเมื่อจิตใจปุ้งซ่านท่านมักจะไปหาที่อยู่องค์เดียวในธรรมหรือป่าลึ ก, ลก และบำเพ็ญภาวนานานเป็นวันวันคืนคืนไปท่านบอกว่าการทําความเพียรเมื่อจิตใจมีรักฐานดีแล้วการภาวนาเป็นวันวันคืนคืนที่แต่จะเพิ่มความชํานาญของสมาธิไปเรื่อยๆการพิจารณากายของท่านท่านมักจะใช้ยิริยาบดเดินบางครั้งท่านจะเดินไป ตามป่ากคนเดียวในตอนกลางคืนให้จะกลับมาถึงศาลาก็ตอนใกล้สว่างเป็นประจำคราวหนึ่งกลางพรรษาที่วัดวารจุูกฝนตกหนักถนนหนทางถูกตัดขาดโดยจิ้นเชิงทั้งตามลำห้วยน้ำป่าก็พัดแรงท่านอาจารย์อาพาธเป็นขค่ยอย่างหนักหนาวสัน่น ท่านจึงสั่งให้ชาวบ้านตัดลําไม้ไผ่มาผูกเป็นแผลเล็กๆให้นั่งคนเดียวแผลก็เกือบจะล้มแล้วนําไปลอยว่าในหนองน้ําใกล้ๆ ก, กับกุฏิที่พักแล้วท่านจึงขึ้นไปนั่งบนแพลปล่อยแผลให้ลอยอยู่กลางหนองน้ํานั่งภาวนาตากแดดตากฝน ล, ลอยน้ําอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนอาการดีขึ้น ต่อเมื่อมีผู้ไปถามท่านว่าทำไมต้องไปอยู่บนแผเล็กๆเวลาเป็นไข้อย่างหนักด้วยท่านเพราะว่ามันอยากเป็นไขหนี่ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้กระดุกกระดิดก้อยแผลล่มจมน้ำไปเลยโดยปกติแล้วท่านอาจารย์จเจียนท่านชอบคือดงไปยังที่ต่างๆที่เหมาะแก่การบาเพ็ญเพียรภาวนาอยู่เสมอ ทั้งทางภักเหนือภาคอีสานตะวันออกตะวันตกบางคราวก็เลยไปยังประเทศพม่าด้วยท่านเล่าว่านี่อยู่ครั้งหนึ่งที่โดร้านจังหวัดเลยท่านภาวนาแล้วบังเกิดนิมิตเป็นที่อัศจรรย์หลายเรื่องหลายราวท่านก็ว่าเราก็รู้แล้วจะไม่หลงหรือดังนั้นท่านจะเดินทางกลับ ไปกราบเรียนหลวงปู่ขานหลวงปู่ท่านว่าถ้ารู้แล้วมีสติจะหลง อ, อะไรหรือเวลาท่านไปทุดดงทางพมา่าท่านมักจะพักตามป่าช้าท่านว่าป่าทางพมา่าสวยดีมีต้นไม้ใหญ่ลมครึมเหมือนป่าดึกดำบรรเหมาะแกการบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นยิ่งนักคราวหนึ่ง ช่งที่ท่านอยู่วาชุกุท่านมันเกิดความคิดถึงพอ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เจียงรายเป็นอย่างยิ่งท่านจึงเดินทางจะกลับไปบ้านพอถึงลำปางท่านเห็นชาวบ้านเขากุกช้างแยกลูกแยกแม่จากกันท่านก็เลยพิจารณาไล่ยวางแล้วก็เลยเดินทางกลับวาชุกุอีกส่วนมากท่านอาจารย์ จะพูดน้อยและถ่อมตนหรือบางทีมีญาติโยมถามธรรมะท่านท่านก็จะตอบว่าไม่รู้สิแต่เมื่อถูกรบเร้ามากๆท่านก็ว่าเราเป็นพระเล็กพระน้อยให้ไปถามครูบาอาจารย์ซึ่งหมายถึงท่านอาจารย์สาครส่วนเรื่องบริขารของท่านท่านจะไม่กระตือรือรน้นท่านมักจะใช้ของขัดขาด เก่าๆ เ, เพียงแต่ไม่ผิดพระธรรมวินัยเป็นอันใช้ได้ที่รูปอาหารการฉันของท่านจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามฐานะความเป็นอยู่จัดขาดของญาติโยมแม้แต่น้ำพริกกะเหรี่ยงซึ่ขึ้นชื่อเลอชาในเรื่องความเผ็ดเค็มท่านก็ฉันได้อย่างอริดอร่อยท่านชอบชวนญาติโยมไปเที่ยววัดท่านที่ว่าชุกคุก โดยบอกว่าไปกินจะอมต้มเกลือแล้วท่านก็ยิ้มยิ้มท่านอาจารย์มักมีอารมณ์ดีและอารมณ์ขันอยู่เสมอครั้งหนึ่งญาติโยมที่ทำอาหารถวายพระนอนเตือนสายกลัวว่าจะ ท, ทำอาหารถวายพระไม่ทันก็เลยกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าขอให้พระรอก่อนแต่ท่านไม่รอท่านบอกว่า ท่านชื่อเสถียนท่านไม่ใช่พระรอหรือคราวหนึ่งโยมชาวกระเลียงต้มยอดฟักทองมาถวายท่านโดยต้มมาทั้งเขาเลยท่านประมาณดูว่าคดได้สามรอบบาศ ท, ท่านรับประเคตแล้วไม่ว่าอะไรพอฉันเสร็จแล้วก็ออกไปหัวเราะกับศาสต์ธมิตรของท่านตรงที่ล้างบาศโดยปกติ ลูกศิษชาวกเรียงของท่านอาจารย์ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยได้เข้ามาในเมืองบ่อยนักเวลาท่านเดินทางไปกรุงเทพท่านมักจะพาเด็กๆชาวกเรี่ยงไปกับท่านด้วยเสมอคราวว่าหลายสิบคนญาติโยมก็มักจะถามกันว่าให้กลัวเด็กๆพัดหลงหรือท่านก็บอกว่าไม่กลัวเพราะเวลาจะข้ามถนนหรือเดินไปทางไหนก็ให้เด็กๆ จับมือกันไว้เป็นแถวกันหลงแล้วท่านก็หัวเราะจวกโจนเมื่อท่านเริ่มอาพาธเมื่อวันที่20บกันยายนพุทธศักราช2535หรอมดูมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแต่ท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ให้แพทย์มาตรวจแต่ประการใดคงเป็นเพราะอยู่ในระหว่งงางพรรษา ท่านจึงไม่ยอมเดินทางไปทางไหนพอเมื่อออกพรรษาแล้วท่านจึงยอมอยู่ในความดูแลของแพทย์แพทย์ลงความเห็นว่าท่านเป็นโรคมะเร็งในต่อน้ำเหลืองท่านพักรักษาตัวอย่ที่โรงพยาบาลเพื่อระยะหนึ่งก็ออกจากโรงพยาบาลมาพักที่วัดเวรุวันจากนั้นจึงเข้าไปอยู่ที่วัดท่านที่วัดจุกคู วัดที่มีความผูกพันกับท่านอาจารย์มากต่อมาท่านก็มรณภาพเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2536หลังจากที่ได้ประชุมเพลิงศพท่านแล้วบรรดาญาติโยมได้ พ, พาการ น, นำอติธาส่วนหนึ่งของท่านอาจารย์กลับไปเชียงรายตามคำกลารบ ของท่านอาจารย์ก่อนวรณภาพและได้ประกราบนามสการหลงปู่ขามซึ่งเป็นอาจารย์องค์แรกของท่านท่านอาจารย์สัจเฉียนท่านได้มีเมตตาต่อบรรดาญาติโยมที่ไปกราบท่านในครั้งนั้นมากพร้อมกับต่าโรให้บรรดาญาติโยมฟังตอนหนึ่งว่าท่านอาจารย์สัจเฉียนเคยเกิดเป็นเกรเรียงมาหลายภพหลายชาติ กินเนตธรรมอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเราจะกลัวอะไรเราพิจารณามาจนพอแล้วเราก็พูดเล่นพูดหัวไปอย่างนั้นแหละใครจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เธอรู้หรือว่าใจเราวันหนึ่ง มันเปลี่ยนไปตั้งแต่รังผู้ที่เดินทางอยู่ย่งถึงจุดหมายไม่ช้า ก, ก็เร็วหนูตัวเล็กๆมันกินน้ำในห้วยมันก็กินได้แค่พออิ่นท้องมันเท่านั้นเวทนาเมื่อถึงที่สุดแล้วจะเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆลดลงไป งานทางด้านพัฒนาทางด้านวัตถุและบุคคลท่านอาจารย์เสถียรได้ดำริและริเริ่มให้มีการพัฒนาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวไทยเกเรียงในเขตตำบนไล่โวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งงบประมาณทั้งหมดได้มาจากแรงศรัทธาจากบรรดาญาติโยมที่รวมพลังกัน ทั้งพลังกายพลังใจพลังทรัพย์และพลังความคิดดางที่ท่านอาจารย์และดาริวางแนวและปฏิบัติพานาให้บรรดาญาติโยมปฏิบัติตามจนสำเร็จตามความมุ่งมากกราสนาดันผลงานที่ได้แล้วเสร็จไปมีดังนี้จัดสร้างระบบประปา ภูเขาบ้านหวาจุกุจัสดสร้างระบบกปปปาแฟภูเขาสารวะจัสดสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านหวาจุกุจัสดสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านสารวะจัดให้มีการอบรมเยาวชนในเขตตำบไลไ่โว่หลายครั้งจัสดส่งชาวบ้านที่มีความรู้ภาษาไทยมารับการฝึกอบรมผู้สืบข่าว สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลทองผาภูมินำเยาวชนไปทัศนศึกษาณกรุงเทพมหานครริเริ่มให้มีการจัดสร้างโรงเรียนบ้านที่ไรปลาให้ถูกต้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการริเริ่มให้มีการจัดสร้างสถานีอนามัย บ้านที่ไรยป้าตามมาัตรฐานและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ชาวบ้านปลูกพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมีสารพืษต่างๆและอื่นๆอีกมากมายยาตักกา น, นจักสังกโหเอตัมมังคลมุตตะมังความสงเคราะห์ซึ่งยาทั้งหลาย เป็นมงคลอันสูงสุดประวัติอาการป่วยโดยสมจิตสำลิตจากโรงพยาบาลมิชชันท่านอาจารย์เสถียรสมาจารโรเป็นพระที่ขัพระเจ้าเคารพนับถือท่านมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความขยันและอดทนเมื่อตั้งใจ จะทำสิ่งใดแล้วจะมุ่งมั่นกระทำสิ่งนั้นๆโดยไม่ท้อถอยข้าพาเจ้าและคณะซึ่งนำโดยท่านอาจารย์สาครธรรมวุโภได้เคยเดินทางพร้อมท่านอาจารย์สเสถียรเพื่อไปรับพระซึ่งอาพาตอยู่ที่ภูเตยแม้ทราบว่าพ้นทางที่จะไปผ่านป่าภูเขา และหนทางอาจคาตอนบางช่วงเพราะเป็นหน้าฝนแต่ก็คิดว่าไดเตรียมเครื่องมือไปพร้อมแล้วสำหรับแก้ไขแต่โชคไม่ดีรถไดติดลมอยู่นานกว่า24ชั่วโมงแม้จะใช้วิธีดนใดใๆแก้ไขรถก็ไม่ทะเยอนีแต่จมลึกลงไปตืเรื่อย ้นทางข้างหน้าแทนที่จะเป็นถนนรับายจะาพาเป็นบึงขนาดใหญ่จึงไม่มีรถคันใดสามารถเล่นสวนมาพอที่จะขอความช่วยเหลือได้และบริเวณที่รถเล่นผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงก็ไม่มีบ้านคนอาศัยเลยซึ่ออาจย้อนกลับไดขอความช่วยเหลือได้ขณะที่ไป แต่ท่านอาจารย์พยายามช่วยกันทั้นดึงยกลากและก็ไม่ขยื่อนโดยเฉพาะท่านอาจารย์ัะเคียนท่านพยายามช่วยยกจนบริเวณบา่าเป็นแผลถลอกสีแดงมีเลือดออกสิบสบิเนื่องจากใช้ต้นไม้ขนาดย่อมซึ่งพนาตัดมาจากป่าสดสเพื่อใช้งัดรถขึ้นจากลมโคลเข้าปะเจ้า นึกชมความอดทนของท่านในใจเพราะท่านไม่ปิดปากบนหรือสนใจแผ่ที่บาด ท, ท่านเลยซึ่งข้าพเจ้ารู้ว่าจะต้องปวดและแจบมากท่านเลือกที่จะไปจำบรรษาที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงในป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนแน้ว่าหนทางที่เข้าไปจะลำบากมาก ใช้เวลาเดินทางบางครั้งประมาณ22ชั่วโมงจากทองผาภูมิและสามารถใช้รถเข้าไปได้บ้างบางเดือนเท่านั้นเรื่องการกบฉันก็ลำบากมากเพราะชาวบ้านยากจนมิแต่ศรัทธาใส่บาตรดีเรื่องข้าวไม่ขาดแคลนแต่กับข้าวลำบากมากโชคดีที่ท่านอาจารย์สาคร ช่วยสร้างระบบน้ำโดยวางท่อมาจากลาพานทําให้ไม่ขัดแคลนเรื่องน้ำใช้สังเกตดูว่าท่านมีความรักและเมตตากับชาวกรีนอย่างมากสิ่งใดที่เป็นประโยชน์และพอจะจัดหามาให้ได้ท่านจะพยายามหามาให้ได้โดยเฉพาะอยารักษาโรคซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเพราะ โอกาสที่จะออกมารักษาโรคในเมืองแทบจะไม่มีเลยเพราะภาษาไทยก็ไม่ชำนาญเงินทองก็ไม่ค่อยมีและท่านั่งชันออกมาก็ใช้เวลาเกือบสองวันแม้ท่านอาจารย์สยเฉียนเองเมื่อเริ่มมีอาการปวดท้องครั้งแร ก, แรกเป็นชุนเข้าพรรษาท่านก็พยายามกลมไว้เพราะการเดินทางไม่สะดวก จนอาการเริ่มหนักต้องอาศัยเฮลิคอปเตอร์ของต่อจดรอมาส่งซึ่งถึงเวลานั้นอาการก็หนักมากเกินที่จะรักษาได้เพราะท่านเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองที่บริเวณคอและเชื้อมะเร็งได้แพร่กระจายไปแล้วแต่ท่านก็ยิ้มแยม้มจำใสดีผู้ที่ไปเยี่ยมบางคนทำท่าอาการหนัก กว่าตัวท่านเองเสียอีกแม้เจ็บป่วยท่านก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมยังคงหาโอกาสภาวนาเดินจงกรมเป็นประจำทุกคืนในระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพชิระความอดทนเด็ดเดี่ยวของท่านประจักษ์ชัดในช่วงสุดท้ายเมื่อท่านจากว่า ทางแพทย์หมดทางรักษาท่านตัดสินใจเข้าทุ่งใหญ่ทันทีและไม่ยอมออกจากทุ่งใหญ่อีกเลยเพราะสถานที่สง บ, บเหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาไม่มีญาติโยมมารบ ก, กวนถึงแม้จะทราบว่าในช่วงสุดท้ายโรคนี้ควรจะอยู่ใกล้แพทย์เพราะจะทรมานมากเนื่องจากความปวดตะตาม ระยะนี้ท่านได้ส่งเคราะห์ชาวกเกรียงที่บ้านที่ไรยป้าอำเภอสันขละบุรีเป็นครั้งสุดท้ายโดยพยายามสร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาภาษาไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยมีท่านอาจารย์สาครเป็นผู้จัดหางเงินทุนมาให้ใช้ในการขอต้างข้าพเจ้า ได้ทราบข่าวอาการของท่านระยะระยะและในช่วงต้นเดือนเมษายนจึงตัดสินใจขอลาหยุดงานพร้อมกับชวนเพื่อนและรุ่นพี่ที่เป็นพยาบาลอีกสองคน ท, ที่พัชรีจากธรรมศาสตร์ตามไปด้วยอีกหนึ่งคนเป็นสี่คนเนื่องจากข้าพเจ้าเป็นพยาบาลจึงคิดว่าท่านจำเป็น ต้องใช้ยาระ ง, งับปวดอย่างแรงในระยะนี้ข้าพเจ้าและเพื่อนจะเตรียมน้ำเกลือและยาที่จำเป็นเกือบทุกอย่างพร้อมทั้งอาหารเหลวเพราะคาดว่าท่านคงจะกลืนอาหารลำบากในช่วงสุดท้ายนับเป็นโชคดีของข้าพเจ้าและคณะที่มีโอกาสได้ดูแลท่านในระยะสุดท้ายทันเวลาพอดี เมื่อพวกเราเดินทางเข้าทุ่งใหญ่ไปถึงก็เป็นเวลาพบคำ่ำได้รับทราบข่าวว่าท่านหายใจลำบากมากข้าพเจ้าใจไม่ดีไม่แน่ใจว่าจะเห็นท่านในลักษณะใดแต่คงจะต้องหนักมากเมื่อขึ้นไปที่ศาลาที่ท่านพักที่แสงแตะเกียงเจ้าพายุจุดไว้คนมากันเต็มศาลาไปหมดข้าพเจ้า รีบมองหาท่านคาดว่าท่านคงจะนอนอยู่บนศาลาแต่มองไม่เห็นคนนอนแต่กลับได้ยินเสียงทักว่าพยาบาลมากันเยะแยะเลยนะข้าพเจ้าดีใจมากที่เห็นท่านนั่งพิงเสายิ้มต้อนรับพวกเราได้แต่สังเกตดูหน้าท่านบวมและใหญ่มากโดยเฉพาะบริเวณคางทั้งสองด้าน การหายใจค่อนข้างลำบากและมีเสมหกักติดคอบ่อยๆข้าพเจ้าเรียกนํำยาที่เตรียมมาให้ท่านฉันทันทีรวมทั้งยาจีนที่มีสรรพคุณว่าแก้โรคมะเร็งได้เพราะยังมีความหวังลมหลมแรงๆอยู่คืนนั้นทีการรักษากันทุกประเภทตั้งแต่ยาทา อย่า ก, กินอย่าฉีดอยา่าพออย่าตะคบท่านหมอไทยหมอกระเรียงหมอพมา่าหมอมอนผัดเวียนกันให้การรักษาท่านก็เมตตาใครจะทำอะไรก็ทำไปท่านก็พยายามนั่งสมาธิบ้างเดินบ้างตามกำลังแต่อาการไม่หนักมากในคืนแรกวันรุ่งขึ้น พวกเราได้จัดตั้งหน่วยพยาบาลแระพยาบรีที่คนรช่วยแปลให้ท่านก็นั่งมองดพวกเราสังเกตว่าตอนกลางวันอาการหายใจลําบากจะดีขึ้นท่านยังบอกให้ข้าพเจ้าไปดูอาการของโยมคนหนึ่งที่หมู่บ้บานใกล้ๆตกกลางคืนอาการหายใจลําบากเริ่มเพิ่มมากขึ้น รายการรักษาแบบสลับสับเปลี่ยนก็ดำเนินต่อข้าพเจ้าได้ให้หมอประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นชาวเกเรียนชื่อธีระและฝึกหัดด้านการฉิตยามาแล้วช่วยฉิตยาขยายหลอดลมให้เป็นระยะๆะะพร้อมทั้งยาละลายเส้นหักเพราะท่านหายใจไม่ออกเนื่องจากหลอดลมติดแคบมาก และมีเสมหะที่คอท่านปฏิเสธยากแก้ปวดโดยตลอดบอกว่าไม่ปวดทนได้ในตอนดึกท่านเพียมากจึงให้หมอธีระช่วยฉีดน้ำเกลือให้แต่คงฉีดไม่ค่อยถนัดข้าพเจ้าเห็นแล้วอยากจะจีดให้เองแต่รู้ว่าทำไม่ได้จึงพยายามชี้เส้นเลือดที่จะจีดให้ห่าง ท่านคงกลัวข้าพเจ้าจะถูกตัวท่านเพราะเห็นเหลือบดูบ่อยๆข้าพเจ้าจึงแกล้งพูดว่าไม่เป็นไรหลอกท่านอาจารย์แต่ชุงมือแล้วท่านย้อนข้าพเจ้าทันทีว่าทางนั้นพระบมผ้ากอดผู้หญิงก็ได้น่ะสิครั้งแรกข้าพเจ้างงแต่พอคิดออกก็ยิ้มทันทียกมือไหว้ เพราะขมาต้อมนึกจมในใจว่าท่านรักษาสติได้ดีแท้ขนาดพออยู่ย้นย้อนให้ทันควันจึงบอกกับท่านว่าระวังอยู่แล้วไม่ถูกหรอกขพเจ้าทราบดีว่าท่านรักษาข้อวัดของท่านคลึงพัดมากมาตลอดจึงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก คืนวันที่4เมษายน2 5งพรกข้าพเจ้าได้พิจารณาเห็นทุกขเวทนาอันเนื่องมาจากการคลองสังขารอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาที่ท่านหายใจไม่ออกต้องลุกขึ้นยกมือชูเหนือศีรษะแบบภายปอดเพื่อช่วยึัเองเป็นระยะระยะแต่ท่านก็ยังเมตตา ท่านมายิ้มกับพวกเรายาที่ให้แทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยท่านเลียมากแต่ก็ยังมีสติดีพยายามบอกใโยมผู้ชายและพระับที่ปฏิบัติอยู่จับขาท่านนั่งในท่านนั่งสมาธิเกือบตลอดและถึงแม้จะเพลียจนทรงกายแทบไม่อยู่ทุกครั้งที่ท่านลุกจากที่นั่ง เมื่อกลับมานั่งใหม่ท่านจะต้องกราบพระประธานก่อนทุกครั้งไม่เคยขาดเลยตลอดคืนที่ข้าพเจ้านั่งเฝ้าท่านอยู่ท่านยอมให้ห ม, มอธีระชีดยาแก้ปวดเพียงครั้งเดียวตอนประมาณปีสี่ซึ่งอาการท่านหนักมากนั่งทรงกายแทบไม่อยู่ต้องมีโยมคอยช่วยประคองหายใจลำบาก มีเสียงดังหวีดหวีดปลอกเนื่องจากหลอดลมตีแคบมากข้าพเจ้าเห็นอาการคิดว่าคงไม่ผนคืนนี้แต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับข้าพเจ้าและขณะมากเพราะตอนประมาณหกโมงเช้าพลุกขึ้นคองจีวอนอุ้มบาทลงจากสลาไปรับบาทได้และกลับมาเดินจงกรม รอบสาราอีกสามรอบแล้วจึงมานั่งฉันใต้ร่มไม้องเดียวและฉันได้มากกว่าปกติผู้ข้าพเจ้าเห็นแล้วน้ำตาไหลที่เห็นท่านฉันได้มากยังแอบถ่ายรูปไว้ด้วยข้าพเจ้าหมดกำหนดลางงานจึงขออนุญาตท่านเข้ากรุงเทพเพื่อมาลางงานต่อ และตั้งใจจะหาเครื่องดูดเสมหะนำปรับเข้าไปด้วยโดยมีพยาบาลรุ่งที่คือพัชนีดูแลท่านที่ทุ่งใหญ่หนึ่งคนเชา้าวันรุ่งขึ้นที่วัดเวรุวันขณะที่ข้าพเจ้าเตรียมจะไปขึ้นรถกลับกรุงเทพพี่พัชนีได้ออกมาจากทุ่งใหญ่แจ้งว่าท่านอาจารย์เสถียร มรณะภาพแล้วตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนของวันที่ห้าเมษายนข้าพเจ้าโทรเลานานต่อและรีบนำยาฉีดศอกกลับเข้าตุ้งใหญ่พร้อมพี่สุชาโดยท่านอาจารย์สาครและคนอื่นจะตามเข้าไปทีหลังเพราะเตรียมของหลายอย่างซึ่งกว่าข้าพเจ้า จะเข้าไปถึงก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นของวันที่หไม่ทราบจะผ่าเจ้นเลือดได้อย่างไรจึงให้โยมผู้ชายใช้หลอดฉีดยาขนาด5 0 c ีรูดน้ำยาที่บริเวณท้องและส่วน อ, อกเท่านั้นอากาศร้อนมากตอนกลางวันเขปเจ้าคาดว่าน้ำยาคงรักษาสภาพศพไว้ไม่ได้ กเกาะจเผาในวันที่8เมษายนแต่เป็นเรื่องแปลกมากขณะก่อนเผาเปิดดูพบว่าศพอยู่ในสภาพเดิมทุกประการและขณะทำการเผาซึ่งเป็นการเผาสดๆโดวยวางลงศพบนขอนไม้ข้าพเจ้าไม่ได้กลิ่นเนื้อไม่เลยแม้แต่น้อยแม้พยายามลองสูดดูก็ไม่พบว่า มีกลิ่นเลยพวกเรามานั่งทำสมาธิเดินจงกลมที่บริเวณขอบเชิงตะกรเกิดบตลอดทั้งคืนจนเกือบสว่างจึงกลับไปเตรียมอาหารถวายพระท่านอาจารย์ได้เมตตาสอนธรรมะครั้งสุดท้ายให้พวกเราโดยแสดงให้เห็นถึงเวทนาอันเกิดจากโรคภัยไข้ขเจ็บเห็นถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขาร ให้โอกาสพวกเราได้พิจารณาวรณานุสติและเจริญอจุพกรรมฐานไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังให้โอกาสพวกเราได้เห็นถึงคุณค่าของการฝึกจิตที่ดีอย่าเมื่อจะละสังขารสามารถกลุ่มเวทนาได้ให้เป็นผู้ขาสติแม้วันเวลาที่จะติ้งท่านก็ยังสามารถกาหนดบอกไว้ล่วงหน้า อย่างชัดเจนประวัติอาการป่วยโดยนิตวชิระขณะที่ข้าพเจ้ากำลังปฏิบัติหน้าที่พยาบาลที่โรงพยาบาลวชิระทราบข่าวว่ามีพระมป่วยเป็นลูกิษ์ท่านอาจารย์สาครที่ทองผาภูมิ แต่ตัวท่านอาจารย์ที่มาป่วนนี้ท่านปฏิบัติธรรมะอี่า่ผาลึกซึ่งพวกเราเอ่ยแค่ว่าอยู่เมืองกาญจน บ, บุรีก็คงคิดว่าไกลไกลแต่จากที่พวกเราได้ไปสัมผัสมาเฉพาะปากทางเข้าถึงวัดใช้เวลาประมาณแชั่วโมงคือถ้าฝนไม่ตกไม่มีต้นไม้ล้มขวางทาง และไม่นับเวลาจากกรุงเทพถึงทองผาภูมิอีกประมาณส4ชั่วโมงพวกเราพอทราบข่าวก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีโอกาสรับใช้พระที่ป่วยก็เหมือนได้รับใช้พระพุทธเจ้าต่างคนต่างก็จัดหาอาหารมาถวายส่วนข้าพเจ้าเองไม่ได้ทำครัวก็จัดหาอาหารง่ายๆสัง่งร้านค้าและผลไม้ หรือขนมตามแต่จะหาได้ไม่คิดว่าท่านจะเป็นพระป่าที่ฉันง่ายมากไม่ว่าใครก็ทำอะไรถวายก็จะฉันให้ทุกอย่างทุกคนบางวันคนมากบางวันสองถึงสามคนถาวายเสร็จต่างคนต่างก็รีบกลับไปทำงานเย็นๆก็แวะไปดูบ้างบางวันช่วงที่ท่านได้ริษของยา ทำให้คล้นไส้อาเจียนได้แต่ท่านก็ไม่บนให้พวกเราได้ยินแม้แต่น้อยนอกจากจะกราบเรียนถามท่านก็จะตอบพวกเราก็จะจัดหายามองว่าเป็กบสชเค้มที่คิดว่าพอจะช่วยได้บ้างที่พี่บางคนก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าอยู่ที่ห้องพิศเศษเถิดท่านจะตอบทันทีว่าอยู่อย่างนี้สบายดีกว่า ที่ต้องหาคนมาเฝ้าด้วยและก็ได้เห็นให้ดูคนไข้คนอื่นด้วยแต่เราคิดว่าท่านคงกลัวว่าลูกศิษย์จะต้องเปลืองค่าใช้จ่ายก็เลยไม่ยอมอยู่ห้องพิเศษหลังจากนั้นไม่นานข้าพเจ้าก็าไม่ได้ไปเยืนยท่านอีกเลยเนื่องจากต้องเดินทางไปเยี่ยมแม่ของข้าพเจ้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่ากลับมาจึงทราบว่า ท่านอาจารย์ไม่ยอมรักษาอีกแล้วเพราะให้ยายุกเดียวเดียวก็บวมอีกท่านกลับเข้าทุ่งใหญ่ไปแล้วพี่ต่อนพยาบาลที่โรงพยาบาลนิชนชันชวนพี่พัชชะนีพี่พั ช, ชรีและข้าพเจ้าว่าไปเยื่ยท่านอาจารย์ก็เขียนกันเถิดลุงพ่อสาคร บ, บอกว่าตอนนี้ไม่เคยไหวแล้วหบวมมากพวกเราปรึกษากันว่า ควรจะเตรียมยาให้เพียรพร้อมเพราะอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาอาการปวดประยะสุดท้ายของท่านได้ท่านจะได้เข้าจิตได้ไม่กระวนกระวายมากนักพยาบาลตึกผ่าตัดและหลังคลอดช่วยจัดหายาให้ได้มากพอสมควรปกติหาซื้อลาบากมากแต่ด้วยความขอร้องว่าจะไปฉีดถวายพระอาพาธหนะัก ให้แพทย์ชายประจำหมู่บ้านชีพให้ก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีเดินทางครั้งแรกเข้าทุ่งใหญ่ผ่านห้วยน้ำา19้ถึงยี่ห้วยใช้เวลาประมาณแชั่วโมงท่านหลวงพ่อสาครท่านให้พวกเราลองนับดูก็ตั้งหน้านับกันใหญ่เลยพอถึงวัดพวกเราก้าวขึ้นศาลานำหน้าด้วยพี่ตอนพี่พัชนี พิพัชรีและข้าพเจ้าท่านอาจารย์เสถเียร น, นั่งบนศาลาพอเห็นพวกเราก็ทักว่าพวกพยาบาลมา ก, กันเยอะแยะกันเลยนะเขียงท่านแหบแห้งมากทักพร้อมกับรอยยิ้มหน้าตาท่านผิดรูปไปมากเลยพวกเราอยู่ถึงครบสามวันในเวลาที่พวกเราจะกลับมาทำงานตลอดระยะเวลาสามวันนี้ ท่านอาจารย์แด้แต่นั่งสมาธิและเดินจงกรมเท่านั้นไม่นอนให้เห็นเลยสติท่านดีมากทุกครั้งที่ขึ้นศาลาท่านจะนั่งกราบพระพุทธรูปก่อนถ้าหลวงพ่อสาครนั่งอยู่ท่านก็จะกราบหลวงพ่อจึงค่อยนั่งที่อาสนะบางคืนผู้เรียนหนุ่มสาวเด็กคนแก่เด็กเล็กๆมานั่งนั่งนอ น, น, อน เป้าท่านเต็มศาลาบางคนก็ต่ำยาซึ่งรู้สึกว่าจะแข็งมากนอกจากพวกกริ่แล้วก็มีน้องชายท่านอาจารย์และพระอีกสามถึงสี่องค์และท่านหลวงพ่อสาครซึ่งคอยดูแลท่านตลอดวันที่ 4, สี่เมษายนสอง6ห้าเวลาประมาณสองทุ่งขณะที่พวกเรา น่งเป้าท่านท่านลุกมาถามว่าไหนยาฉีดพวกเราดูลักษณะท่านท่านคงไม่ตรวจหรือถ้าตรวจท่านก็คงทนได้คุมอาการท่านได้แต่คิดว่าท่านคงสงสารพวกเรามากกว่าที่อุตสาเตรียมหายามากันมากแต่ไม่ได้ใช้เลยพวกเราก็รีบเตยมหายาฉีดหนึ่งเข็มให้แพทย์ประจำ ที่ไร่ป้าเป็นผู้ฉีดให้ก่อนฉีดท่านไม่มีอาการระวนระวายอะไรหลังฉีดก็เช่นกันท่านคงนั่งสมาธิภาวนาต่อจนกระทั่งเวลาประมาณ3ามทุ่มขณะที่พวกเรานั่งเฝ้าท่านอาจารย์พิพัชรีพิพัชนีสมจิตและชาวกรเรียงพวกข้าพเจ้าเห็นอาการท่านแล้วคิดว่า คงไม่ไหวแล้วบางครั้งหายใจเข้าก็ไม่ค่อยได้หายใจออกก็ไม่ค่อยออกรู้สึกว่าหลอดลมคงจะบวมตีฟังจากเสียงหายใจก็กลับมาชาคิดว่ามีเสมหะอุดอยู่กินให้แพทย์ประจำหมู่บ้านที่ไร่ป้าเอาสายยางเล็กใส่ทางปากพืดูดเสมหะออก แต่ใส่ไม่เข้าเลยสักพักท่านกลุกยืนจงกรมภาวนาลักษณะลมหายใจเหมือนจะหยุดพวกเราได้แต่จ้องมองไม่รู้จะช่วยอย่างไรสักพักท่านก็นั่งที่อัศนะนหน้าตีบมากหายใจขัดมากที่ตอนบอกว่าไม่ไหวแล้วไปกราเปลียนท่านอาจารย์สาครข้างล่างดีกว่า ว่าแล้วก็รีบลงไปท่านอาจารย์ให้กลับมาบอกว่าไปนั่งภาวนากันต่อเถิดเรารู้แล้วพี่ต่อนก็ปรึกษากันกับข้าพเจ้าว่าพรุ่งนี้ท่านอาจารย์คงฉันไม่ได้แน่แต่พอปรึกษากันไปมาบอกว่าเตรียมไว้เถอะเผื่อฉันได้แถวนี้ไม่มีขายด้วยว่าแล้วพี่ต่อน ก็รีบควาหมออไปหุงข้าวต้มเวลาประมาณตีจีกว่าถ้าจำไม่ผิดต่างคนก็ต่างช่วยกันทำอาหารที่คิดว่ากลืน ง, ง่ายที่สุดรุ่งเชา้าปิด้าท่านอาจารย์สเสตเสียนลุกลงไปเดินจงกรมรอบศาลารพระพเจ้าปรีเตรียมน้ำหนึ่งขันถวายล้างหน้าท่านบอกว่าขอบใจฤาษาไปเตรียมให้เสร็จ แล้วท่านก็นางสายต้นไม้ฉันอาหารเกือบทุกอย่างในถานที่พวกเราเตรียมให้ทิ่ราบเระพระวา่าพวกเรายุดแอบมองทานหน้าต่างแถวเรงหนึ่งโพระแต่หน้าที่บางคนไม่รู้ว่าใครเอ่ยว่าเป็นท่านฉันแล้วน้ําตาไหลผา ก, กันไหลต่างตกันทั้นดีใจที่ท่านฉันได้คิดว่า ท่านอาจจะหายแล้วก็ได้นะเพราะยาที่ฉันเข้าไปตั้งหลายอย่างหลายขนานอาจช่วยท่านได้อีกครั้งสงสารท่านบอกไม่ถูกและพอท่านสันเจ็บขณะที่พวกเรากําลังนั่งรับประทานอาหารบนศาลาท่านอาจารย์สเสกียนขึ้นมาบอกว่ากินการเยยนานะเสียงแหบแห้งมากแต่บอกด้วยความเป็นห่วง สักพักพวกเราก็ลาท่านกลับเพื่อทาหน้าที่การงานของตนทั้งทั้งที่ไม่อยากกลับทิ้งที่พัชชนีไว้ดูแลท่านห น, นึ่งคนเพื่อเตรียมปานะถวายท่านบอกกับน้องชายท่านว่าท่านอาจารย์ใหญ่คุณพ่อสาครไปแล้วคืนนี้เราก็จะไปนะขณะที่พวกเรา พักค้างคืนที่ทองผาภูมิเพื่อรุ่งเช้าจะได้เดินทางกลับกรุงเทพพอรุ่งเช้าวันที่หเมษายน2 5 0พันห้าสามสหกประมาณ8ปดโมงกว่าพี่พัชนีก็ออกมาจากทุ่งใหญ่บอกว่าท่านอาจารย์เสถียรพรณภาพแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนกว่า ก็เดินทางออกมาเลยพึ่งถึงเช้านี้ที่ตอนพี่พัชรีก็ลางงานกันได้หมดมีข้าพเจ้าแลกไม่ได้เลยก็เลยต้องกลับกรุงเทพก่อนผ่านวัดพระแก้วก็อธิษฐานจิตว่าถ้าลูกมีบุญที่จะได้เผาท่านอาจารย์ขอให้แลกเวรได้เรียบร้อยทุกวันพอไปถึงก็ขึ้นไปบนที่ทำงานโครแรก ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยกลับไปพอพักรีบจัดผ้าตื่นแต่ตีสี่นั่งสามลอไปสถานีขนส่งสายใตย้เข้าแถวซื้อตัว๋วไปกาญจนบุรีคนซื้อตัว๋วเข้าแถวยาวมากถ้าต่อปลายแถวไม่ทันแน่ก็เลยแอบกระทิคนหัวแถวว่าช่วยซื้อตั๋วให้หนึ่งใบเพราะรถจะไปไม่ทัน เข้าทุ่งใหญ่ถ่าไม่ได้ไปเที่ยวแรกพอถึงทองผาภูมิที่ตลาดก็คิดว่าจะมีรถเข้าทุ่งใหญ่ไหมหนอะเขาคงไปหมดแล้วคงได้อยู่ภาวนาที่ทองผาภูมิแต่ใจมันไปแล้วอย่างไรก็ต้องได้ไปคิดแล้วก็เดินซื้อของเล็กนอก้อยจัดพักได้ยินเสียงเรียกพี่นิดพี่นิดพี่นิด เจ้าสี่สะโกนเรียกถามว่ามาได้อย่างไรเข้าทุ่งใหญ่ด้วยกันไหมรถว่างหนึ่งที่ไะเข้าทุ่งใหญ่พอดีก็เลยให้ติดรถเข้าไป ท, ทุกคนแปลกใจว่ามาได้อย่างไรเพิ่งกลับไปเมื่อวานหลวงพ่อสากรพระเพื่อนท่านอาจารย์สเสถียรซื่ออาจารย์สงวนและพระอีกสามถึงสี่องค์และชาวกระเียงช่วยกันจัดงาน อย่างสมเกียรติตามมีตามเกิดตามแต่จะหาได้ศพท่านถูกแห่ตามพิธีชาวเกรียงขึ้นกองฟอนจุดไฟนำโดยท่านหลวงพ่อสาครพระและการวาาตามลำดับขณะประชุมเพลิ ง, งยังไม่เสร็จฝนเทลงมาอย่างหนักผากัลหลบใต้โต๊ะบ้างูุติหลังเล็กเล็กบ้างจนอดนึกกันไม่ได้ว่า ศพจะไม่หมดหรือพักๆคนก็หยุดให้ทำพิธีต่อจนเสร็จเรียบร้อยดีคืนนั้นพวกเราก็นั่งรอบกองอัฐิซึ่งมีแต่เท่าและอัฐินั่งบ้างนอนบ้างเช้าขึ้นก็เก็บอัฐิกันโดยท่านหลวงพ่อสาครและชาวบ้านพวกเราช่วยกันและทำบุญเรียงพระเรียงคนเสร็จก็กลับออกมา ระหว่างทางฝนตกหนักอีกน้ำไหลบาถนนมากทางก็แคบบางช่วงไม้ใหญ่ขวางหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงบางช่วงก็ต้องตัดต้นไม้กันโชคดีมีหนุ่มสามถึงสี่คนร่วมเดินทางช่วยตัดต้นไม้บ้างบางช่วงลงเขาถนนลื่นมากน้ำท่วมรถเรกรดไม่อยู่อยู่พ่อสาคร กำกลับมาตลอดทางในที่สุดพวกเราก็กลับถึงทรองภาภูมิโดยปลอดภัยการที่พวกเราได้มีโอกาสเข้าเยื่มท่านอาจารย์สเสถียรครั้งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเกินคุ้มทำให้เกิดความคิดหลายๆอย่างว่าทุกชีวิตเกิดขึ้นมาดำเนินชีวิตที่ได้ตามอัตภาพตามวิถีชีวิตของแต่ละคนเมื่อถึงเวลา โรคภัยต่างๆก็มายืนเราไม่วันใดก็วันหนึ่งและแล้วในที่สุดทุกชีวิตก็ต้องจากไปเหลือเพียงเท่าทานและกองกระดูกนี่ขนาดท่านป่วยหนักมากขนาดนี้แต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการปวดหรือร้องเระวนกระวายอะไรให้พวกเราเห็นแม้แต่น้อยนิดเดียวท่านในแต่อยู่ในอุยบทนั่ง ยืนเดินจงกรมเท่านั้นเกือกตลอดเวลาไม่ได้นอนให้พวกเราเห็นเลยและพวกเราหลักมัวแต่กินกับนอนและเล่นไปวันวันไม่ได้สนใจภาวนาดูจิตตนให้จริงจริงจังจังถ้าเมื่อในก็ตามที่ความเจ็บป่วยไข้โรคภัยอุบัติเหตุต่างๆนั่นมาถึงตัวพวกเราแล้วเราจะต่อสู้กับโรคภัยเหล่านั้นได้หรือเรา จะทนได้เหมือนท่านอาจารย์เขียนหรือพี่จะไม่ต้องร้องกระวนกระวายกับความเจ็บปวดเหล่านั้นเลยแม้แต่ น, น้อย